พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28เมษายน2555นมีชื่อเรื่องว่าพึ่งพาอาศัยกัน ม่วานวันที่ยี่สิบเจ็ดวันเกิดหลวงพ่อนะเจ็ดเมษาหนะ้าห้านหลวงพ่ อ, อยังตุบๆต่อมๆอยู่กลัวฝนจะตก อ, อ้าไม่กลัวได้ยังไงวันที่ยี่สิบหกนะพวกมาจากกรุงเทพเนะี่ยนั่งรถมาจากอุดอรเนี่ยถึงบ้านสามเหลี่ยมเนี่ยเขาขาดมาเนี่ยต้นไม้ล้มละเนระนาดะลูกเห็บลงในถนน ขาวโพนไปหมดรถต้องจอดเมื่อกี้ลมอย่างแรงเลยเอเพอเข้ามาถึงวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่มีฝนเนี่ยฝนตกปกแปล ก, ก, ก, ก, ก, ก, กหน่อยหนึ่งวันออกไหลวงพ่อโอ้ฝนเอ้จะพึ่งมาเด้อถ้ามาแล้วยุ่งยุ่งใหญ่เลยถ้ามามาขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่วันนั้นกันมีแต่เย็น<ม>เย็นเห็นไ่ะมันตกข้างนอกรอบหอบอะต า, าน้ำโสมก็ตกทั้งกรมก็ตกทั้งนี้ก็ตก แต่มันไม่ตกตรงนี้อากาศก็เลยเย็นเย็นเดือนเมษานมันอา จ, จะร้อนนะแต่มันก็ฝนตกข้างนอกก็รู้สึกว่าอากาศฝนอมันผ่านเข้ามาอากาศก็เลยเย็นเย็นสบายหน่อยแต่พอไปไหมพอเราสวดมนต์เสร็จขนาดสวดมนต์ยังได้ยินเสียงฝาร้องเฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเฮ้อโยมหลวงพ่อยัง วตกเหมือนกันโอ้ถ้าหาว่าฝนตกกลางคืนเนี่ยลูกหลานจะไปนอนที่ไหนเออพกกลางเต็นท์นอนก็เต็มไปหมดทลยเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งที่สุดแหละเป็นรู้จะหลบที่ไหนเน่ากลางค่ากลางคืนอีกอย่าเน่าฝนเนียจะพึ่งตกนเน่าพอถึงตีสามมันหล่นลงอีกได้นะี่ปอกปอกปอกปอกปกอ้าวมันจะเอาจริงจริแล้วเนี่ยพอถึงตีสี่ตีห้าลุงพ่อก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเฮ่เ ฮ, ฮ่โอ้ ออกมามองมองดูทองฟ้าเออจะตกเนะ่าฝนเนะ่าวะขออีกห้าชั่วโมงเออขอห้าชั่วโมงยังไงยงไงสัตยาญาติโยมลูกหลานลูกหลานกลับไปบ้านแล้วยังค่อยลงเทลงเลยก็ได้ไม่เป็นไรพอเมื่อวานพอเก็บเต็เตนท์เสร็จนะประมาณสักห้าโมงกว่าพวกชาวบ้านเก็บเต็นท์เสร็จเงียบเก็บฝนยังค่อยลงปกปักปกปักปกปักก่อน อฝนเนี่ยก็รู้จักความยอยู่อว่าฝนรู้จักความยอยู่ว่าแต่เมื่อคือนนี่ก็ลงอีกนะอลงอีกเนี่ยทําให้ฝุ่นละอองอที่คนมาใช้มเมื่อวานนี่ฝุ่นละอองมันเกิดขึ้นมานฝนประพมประพมเ่ยเปียกไปหมดเลยทต่เนี่อวันนี้ก็เลยเย็นสบายทั้งที่ เขาบอกว่าอีสานนะอีสานนวันที่ยี่สิบหกเมษายนจะร้อนที่สุดเพราะพระอาทิตย์ตรงหัวพอดีเขากันนะอ่หลวงพ่อเอ้ยมันเป็นไ ร, รเดี๋ยวหลวงพ่อจะเสีค่าท้าเอาฟ้ามาปิดหว่ามาเอามาก็เย็นเนี่ยวันที่ยี่กมันว่าจะร้อนที่สุดมันก็ยังเย็นขนาดนั้นเอาล่ะอ <c oughs> แต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมันจะร้อนที่กรุงเทพเขากันนะเพราะอาทิตย์จะเอียงไปทางกรุงเทพ ตรงหัวของคนงุงเทพพันที่27งั้นเขาก็ว่าเขาว่าร้อนนะเขาบอกขึ้นมาเลยฝนไม่มีร้อนนะแต่แถวถามลงไปพวกเสียต้มเสียกนั่นนะ่ะนั่งรถลงไปตั้งแต่ออกจากวัดหลวงพ่อเขาอุดรอฝอนตนะออกแรงเมื่อวานนะันะจนไปถึงขอนแก่นนะแต่แถวเราไม่ตกเมื่อวานตอกลางวานนะันอะ ต่เมื่อคืนในป่ ย, ยปยปกแปลกปกแป ล, ปลอื่นก็นับดีชุ่มเย็นแต่เห็นงานเมื่อวานเนพี่น้องคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานก็มาในงานก็อู้รู้สึกปลื้มใจการทํางานของลูกกองหลานก็เลยดูแล้วก็มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันดีมากแต่ ว, ว่าก่อนหน้านี้เขาพกผู้สูงอายุ ปกผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านก็มาช่วยกันทํางานทําความสะอาดถนนที่ไหนที่พักพาอาศัยที่ไหนโดยมากใช้กําลังพลังมวลชนพวกผู้เฒ่าผู้แก่เนี่แหละหลวงพ่อไปอยู่สถานที่ใดหลวงพ่อจะต้องเน้นหนักเรื่องชุมชนชุมชนที่อยู่ใกล้เราถ้าผู้อยู่ใกล้เราไม่เป็นพิษเป็นภยัย เราก็อยู่ด้วยความสบายสะดวกเพราะชุมชนนั้นเป็นกเกาะกําบังและเป็นเกาะกัน้นสิ่งภายนอกไม่ให้เข้ามาแกล้ากลายเราได้แต่ว่ามันึงที่เกาะก็ยังไงก็เถกับบางครั้งหรือว่าเกา ะ, ะขนาดไหนก็เถพระยามัจยุราชก็จะมาถึงเราอย่างเก่าอันนั้นไม่ต้องคิดถึงแต่ก็อยู่ในระดับหนึ่งคล้ายว่าถ้าเราไม่ ถูกกับชุมชนทะเลาะว่อบแว้งกับชุมชนคนในกลุ่มนั่นแหละจะใครจะเข้ามายิงสัตว์มาล่าสัตว์มาทำอะไรขโมยโพโจรก็ไม่มีใครคุ้มครองเพราะชุมชนเขาไม่ให้ความใส่ใจเพราะนั้นหลวงพ่อไปอยู่ในสถานที่ใดหลวงพ่อจึงประกาศหรือบอกให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไปสร้างโรงเรียนก็เหมือนกัน จะปุ๊บหงพ่อจะไปสร้างโรงเรียนให้ที่ไหนหลวงพ่อจะประกาศเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันอาบาตาผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านครูโรงเรียนผู้สูงอายุมานั่งประชุมกันก่อนที่ศ า, าลาโรงเรียนหราือศาลาที่ไหนที่ห้องประชุมเป็นไงพวกเราจะมาสร้างอาคารเรียนให้เนี่ยเป็นที่พอใจของทุกคนไหมหรือว่าใครมีความขัดข้องอย่างไร ถ้าว่ามีความพอใจเอายกมือขึ้นถ้ายกมือขึ้นอา้าวถ้าว่าหลวงพ่อเอาคนมาสร้างอาคารเรียนให้นี่ยอย่าให้มีเรื่องนะอย่าให้มีขโมยโพยโจรมาขโมยไม้ขโมยปูนซิเบนขโมยเครื่องสูบน้ามาลังแกตีหัวคนงานพวกเราคุมของอได้ไหม ถ้าว่าพวกเราคุ้มครองไม่ได้แสดงว่าพวกเราไม่ให้ไม่ให้ความครบหรือไม่ให้ความยำเกรงสําหรับผู้ที่เขามาสร้างให้แต่ถ้าว่าคนงานไม่ดีนิสัยไม่ดีคนงานเกเรอยากไปตีเขานะให้มาบอกมาบอกหลวงพ่อให้มาบอกบริษัทเดี๋ยวบริษัทจะย้ายคนออกไม่ใช่ว่าไม่ดีแระสุดเจบ็บไปไประชาทันแล้วไปตีเขาไปฆ่าเขานะ่ะ ไม่ได้นะมันกระทบกระเทือนหลวงพ่อนะพวกเรารับได้ไหมได้เออเอาอย่างนั้นนหลวงพ่อไปสร้างที่ไหนจะได้เอามวลชนเข้ามาก่อนพอมวลชนเขาคุ้มครองเลยถึงทําไปเถิดงานแล้วจะราบรื่นจะไม่มีปัญหาจะไม่มีขโมยโจรเข้ามาเออแย่งมาชิงสิ่งของที่พวกเราไปก่อสร้างนี่แหละ เราไปอยู่ในสถานที่ใดจะเป็นวัดวาศาสนาลูกน้องของหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกนะอย่าไปทะเลาะกับชุมชนนะเราเนี่ย เ, ยเห็นไหมหลงตาเขียนไว้ที่ข้างขาลงตาการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตา <S <S เราต้องไม่ผู้เสียเปรียบเราให้ถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเสียเปรียบสักนิดๆหน่อยๆเว้นเสียแต่ล่วงล้ำมาแบบผิดกฎหมายเออนั้นเรารับไม่ได้ แต่เขาเสียเปียบเอาเปียบของเรานี่นยที่เนอะแล้วก็ดวงตามหาบัวนี่ยใสแว่นตาดําำมองไม่เห็นเหมือนกันแต่เรามองเห็นอยู่มองข้างนอกเลยแต่เขามองมองตาเราเขามองไม่เห็นตาเราเขาว่าเรามองไปทั้งไหนใช่ไหมเราใส่แว่นตาดํำใหอแต่เรามองเห็นเขาอยู่แต่ว่าเขามองไม่เห็นเขาว่าเราใส่แว่นตาดำให้เข <laughs> ามองไม่เห็นเขาผ่ะานผ่า น, านไปจบจบไปนี่แหละ อันนี้ก็คือการอยู่กับชุมชนอยู่กับสังคมเราจะให้ถูกใจเราทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ถ้ามันเกินไปเออเราก็ต้องว่ามันเกินไปถ้ามันเกินไปเราทำยังไงเกินไปแล้วก็อมมวลชนอย่างเก่าแน่ะเรียกผู้ให ญ, ญ่บ้านกำ น, นันองปตอองปจอผู้ทรงคนวศผู้เท่าผู้แกมาเอามาพูดในที่ประชมุมเออมันเป็นเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะถึงเราจะไม่ระบุชื่อระบุบุคคล เราก็บอกไปเขาจะสืบกันเองชาวบ้านใครเป็นใครเนี่ยจากนั้นเขาก็บอกกันนห้ามปรามกันเอยอย่าไปทำนะมันไม่ถูกนะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือถ้าเราไปอยู่ที่ไหได้มวลชนมันดีทั้งนั้นนะมวลชนจะได้ขึ้นมาเพราะอะไรก็ต้องการสงเคราะห์อนุเคราะห์ อ, อีกเหมือนกันเราต้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันสิ่งในที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ โรงเรียนบังโรงพยาบาลบางอนาไม้บังชูนเด็กบังแล้วก็ช่วยกันวัดก็ช่วยบ้านเมื่อเราเมื่อวัดเข้ามาช่วยเมื่อบ้านมาช่วยวัดเนี่ยขาพัฒนาวัดเนี่ยสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาพอที่จะช่วยบ้านได้เอาเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยบ้านนี่แหละมุกตะพึ่งพึ่งพาอาศัยกันนี่หลวงตามหาบัวทั้นบอกว่า วัดบางแห่งบางวัดบางสมภารบอกว่าเออเงินเขาเออกมาบริจาคเนี่ยเป็นเงินวัดจะเอาอใช้ชาวบ้านจะเอาไปสงเคราะห์สร้างโลร ง, ลงเรียนออให้เขาได้อย่างไรหลวงตามาหาบัวบอกว่าเออถ้าพูดอย่างนั้นมันก็เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะเพราะชาวบ้านเขามาบริจาคให้เรายังมาบริจาคได้มาทำบุญกับพระเราได้ มาทำบุญกับพระสงฆ์ได้ในเมื่อพระสงฆ์ได้รับจตุปัจจัยของชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาขาดเหลืออะไรขาดตกอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้อย่างน้ำของเขาขาดแต่ไม่มีน้ำจะใช้ไม่มีบ่อบ้าด้านเราทำให้เขาได้ถ้าทำได้เราก็ควรจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เขาเขาให้เราเขายังให้ได้ถ้าเราจะส่งคืนให้เขาให้ไม่ได้ล่ะ ถ้าแสดงว่าสงให้เขาไม่ได้ก็แสดงบอกสงเห็นแก่ตัวสงก็ไม่ควรจะอยู่กับชุมชนสังคมเขาสงควรจะไปอยู่ตามลําพังถ้าสงยังอาศัยชาวบ้านเขาอยู่ยังพึ่งพาอาศัยชาวบ้านเขาอยู่ยังอาศัยชุมชนอยู่ก็ต้องช่วยเหลือชุมชนส่วนหนึ่งคือตัวเองจะไม่เดือดร้อน เ, อเดือดร้อนคืออะไรไอ้คำว่าตัวเองไม่มีไปหาแผ่หาขอมาหาอะไร มาให้ชาวบ้านเขายุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเอันนั้นก็ไม่ถูกต้องกันว่านะ่ะคือได้ท่าว่าได้มาโดยเป็นธรรมค่อยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันพึงดูแลกันในท้องถิ่นชุมชนของพวกเราอันนี้เราสั่งข้าวัตถุการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่แหละเมื่อวานก็ที่หลวงพ่อได้ประกาศว่าเนี่ยวันเกิดของหลวงพ่อ ทำมาหลายปีแล้วก็เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องแต่ตามไม่จริงเขาอยากโจนไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้สวนยางเอสวนยางเขาก็เลี้ยงกันเป็นไปได้แต่อันนี้เป็นเรื่องของเราเอเขากินข้าวไหมเขากินแต่สมมติว่าวัดของเราเนี่ยไม่มีใครจะทำบุญทำทานแล้วใช่ไหมเราต้องใส่บาตรทุกวันก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น เนี่ยมันก็พอเป็นไปอยู่เนชาวบ้านเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่ไม่ใช่เขายากจนแต่นี่ผือน้ําใจของเรานะเรามีน้ําใจเราก็ให้เขาเนี่ยในประการสงเคราะห์เนี่ยการให้กันบางคนโดยมากทางส่วนกลางในะส่วนรัฐบาลเขาก็บอกว่าให้สงเคราะห์คนที่มีอุปสรรคหรือคนมีปัญหาคนยากจนนะให้เขาแจกให้เขาถุงยังชีพนะแต่หลวงพ่อว่า ในท้องถิ่นของเราเนอำเภอนายูงที่เราบินทบาทหกหมู่บ้านเนี่ยแปดร้อยกว่าครอบครัวเนี่ยเราจะไปให้แต่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้ดูๆแล้วก็ไลยอยูอ่ทุกคนอยู่ในกลุ่มนี้ควรให้ทั้งหมดนะเว้นเสียแต่เจ้าขอ ง, ของเขาปฏิเสธถ้ามเมื่อไม่ปฏิเสธเอาให้ไปแล้วน่ ะ, นะ เ, ะเะพราะนั้นจึงได้ส่งเคราะห์อนุเคราะห์ไปแต่นี่ พอสงเคราะห์ไปแล้วทตนี่หลวงพ่อให้ไปแล้วแต่หลวงพ่อก็บอกอย่างนี่ย่ยางการนัศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะที่อยู่มาใกล้ชิดหลวงพ่อที่อยู่ไกลไม่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านแถบนี้นานๆพวกเราได้มาได้มาจังหันได้มาถวายอาหารพระสงฆ์พระสงฆ์อยู่ที่นี่สามสิบสี่สิบห้าสิบองค์อย่างน้อยก็สามสิบเกือบจะไม่ขาดท้งแรงทั้งฝน ในเมื่อพระสงฆ์อยู่ในวัดพวกเราก็อยู่ไกลทั้งที่พวกเราก็เคารพนับถือครูบาอาจารย์พระสงฆ์แต่ไม่ได้มาใกล้แต่นานทีพวกเราก็เสียชละสงเคราะห์ชุมชนในถิ่นนี้ใครเราเออใส่บาตรแทนพวกข้าโดยนะทําบุญแทนพวกข้าโดยนะเอาพวกเราเอาสงฆ์ให้พี่น้องชาวบ้านชาวบ้านเมื่อได้รับของแจกของ ทำใจจากคนถิ่นอืน่นเขาก็เนี่ยให้ความดูแลวัดวาศาสานาดีมันก็เกี่ยวเนื่องกันไปทั้งหมดนั่นแหละอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างท่านองค์ข้มนตรีดรชาวท่านไปสร้างที่อื่นสร้างที่อำเภอท่าบ่อตึกสามชั้นสิบห้าห้องเรียนที่น้ำโสมสองหลังสิบห้าห้องเรียนน้องสูงสิบห้าห้องเรียนอำเภอ เชียงคาน15ห้องเรียนเอราวัณ15ห้องเรียนโดยมากสร้าง15ห้องเรียนเกือบทั้งนั้นแต่จังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเขามาขอเขาว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะได้ตึกสี่ชั้นเออใหญ่ที่สุดใหญ่แบบมาตรฐานของอาคารเรียนเลยล่ะเออท่านก็เอาลับไปท่านก็สร้างให้หมดไป27ล้าน4000 ไม่มีเงินงบประมาณแผ่นดินเลยมีถึงเงินของท่านช่วยทั้งหมดหลวงพ่อไปเห็นวันที่มอประคานเรียนโอ้หลังบักใหญ่ปลาเล่ปลาลานท่านสร้างกับลูกลูกชายของท่านคือคุณชัยนะนะกับด ร, รชาวสองพ่อลูกท่านก็ให้เหตุผลท่านก็ให้ผลเนี่ยถ้าจะว่าไปลพี่น้องชาวสกลนครเนีนนะ่ย หลวงปู่มั่นมาอยู่ที่บ้านหนองผือนาในอำเภอจังหวัดสกลนครและชาวตลาดสกลนครเนี่ยได้ไปใส่บาตร ท, ทาบุญตักบาตรดูแลครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นต่อมานี่ยเกิสกลนครเกิดในละแวกนี้ี่ยมีครูบาอาจารย์มาจำมรณสาองค์ไหนที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไม่ได้มาผ่านสกลนครไม่ได้มาฉันข้าวฉันอาหารที่สกลนครมีไหมไม่มีะ อ, อทุกองก็ได้มาเนี่ยทำฉันอาหารที่นี่การฉันอาหารที่นี่ก็คือได้มาอย่างไงกับพี่น้องชาวสกลนครเป็นภูมิน้ําใจทําบุญทําทานดูแลหลวงปู่มั่นดูแลครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เทศหลวงปู่ล่าหลว ง, งตามหาบัวไล่เลียงไปหมดล้วนแล้วแต่ผ่านสกลนครทั้งนั้นเ อ, อเขาได้ทําบุญเขา คนเฒ่าคนแก่รุ่นนั้นได้ใส่บาตรทำบุญดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้มาสอนจิตญาณุสิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทางสวรรค์นิพพานรู้จักทางมรรคทางผลเราได้รับความรู้ในภาคปฏิบัติเร่ได้รับแนวทางปฏิบัติจิตตภาวนานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นเพราะนั้น พี่น้องชาวสกล น, นครเขาต้องการอาคารเออสร้างให้เขาอย่างน้อยก็เป็นลูกหลานปู่ย่าตายายเขาได้ทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเราควรจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์สิ่งไ้่ได้ที่ไม่หนักหนาสำหรับเราเราก็ควรจะช่วยสงเคราะห์เขานี่แหละท่านคิดสืบเนื่องนะท่านคิดต่อเนื่องนะท่านคิดถึงบุญคุณสรุปแล้วคนที่รู้จักบุญคุณ กับพลแล้วไปอยู่น่นสถานที่ใดมีแต่ความเจริญถ้าไปที่ไหนมีแต่เนตรคุณไปเห็นเขาทำนิดนิดหน่อยๆน่อยเอม้อยไม่พอใจหน่อยเดียวท่านน่ะดูถูกเย็ดยามเขาเนตรคุณเขาคนคนนั่นไปน่นสถานที่ใดมไม่มีนลยจะมีหมูมีเพื่อนเหนผู้ใหญ่ก็ไม่รักถ้าผู้ใหญ่ไม่รักหมูเพื่อนไม่ให้ความยำเกรงแล้วเราจะเจริญได้อย่างไรไม่มีหมูมีเพื่อน โดดเดยอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเข้าไปหาไม่มีใครสงเคราะห์อนุเคราะห์จะหาความเจริญไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเรารู้จักผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณอย่างเราเกิดมาจากพ่อแม่เราก็ต้องนำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ท่านเลี้ยงดูเรามายากขนาดไหนกว่าที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดนี้พระคุณอันนี้ถ้าคนมีปัญญาก็จะระ ล, ลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ได้มากนะ ถ้าว่าคนมีปัญญาระดับไหนกอระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ในได้ในระดับหนึ่งนะแต่คนโง่เถอะเนี่ยคนโง่คนไม่รู้จักคิดนะ่จะไม่ระลึกถึงพระคุณไม่รู้สึกออไม่รู้สึกพระคุณของพ่อแม่ น, ะมน้อยแค่ไหนเพราะอะไรเพราะเขามันโง่เพราะนั้นเราอยู่ในระดับไหนถ้านเราระดับชั้นปัญญาชนแล้วก็ต้องระลึกได้ว่าพ่อแม่ มีพระคุณอย่างไรกับเราเราควรจะสนองและตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรไม่ใช่ว่าจะให้ท่านหนักใจกับเราอยู่ตลอดเหมือนหนุ่มสาวบางคนถ้าไปอยู่กับชุมชนกับหมู่กับเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแต่พอกลับมาหาพ่อหาแม่เหมือนกเด็กขี้แอะออยากจะให้พ่อแม่เอาใจเกิอย่างนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าทําอย่างนั้นอยู่ตลอดก็ไม่ได้เราก็ต้อง ถ้าเข้ามาหาพ่อหาแม่ก็ต้องอ่อนน้อมแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปอย่าทำให้พ่อแม่หนักใจกับเราเหมือนทำให้พ่อแม่รักตอนนั้นพอแล้วพอทำให้พ่อแม่รักและเมตตาเราเพียงแค่นั้นพอแล้วแต่ถ้าว่าทำให้พ่อแม่หนักใจกับเราอันนั้นไม่ถูกเราต้องรู้จักถ้าเราคนมีปัญญาล้วก็ต้องรู้จักในการวางตัวกับพ่อกับแม่กับ ญาติผู้ใหญ่หรือกับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันที่มาอยู่กับวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนนะเอสอนให้รู้จักพระคุณเอไม่ใช่พระคุณหลวงพ่อหรอกแต่หลวงพ่อเนี่ยรู้จักพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างหลวงปู่ล่าอย่าหลวงพ่อเคยอยู่หลวงพ่อก็ํานึกและบอกกล่าวท่านสอนอย่างไรอยู่กับหลวงตาก็เหมือนกันหลวงตาท่านสอนอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนําลูก น้องลูกศิษ์ลูกหาอีกเหมือนกันเออไม่เลถ้าหลวงพ่อไม่พูดเออก็ความในใจของหลวงพ่อมันก็หมดไปทีในี้ในใจของหลวงพ่อเป็นยังไงก็เปิดให้ฟังถ้าว่าลูกหลานผู้ใดองค์ไหนที่จะเอาเป็นตัวอย่างหรวอว่าเป็นแนวความคิดเ อ, อที่หลวงพ่อได้พูดออกไปเนี่ยพวกเราก็จะได้นําไปคิดนําไปพิจารณาใข่ควรไตรตรองเหตุและผลเพราะหลวงพ่อเนี่ย พูดอะไรออกไปพยายามเน้นหลักเหตุผลให้มีเหตุผลให้มีเหตุและมีผลควรควรไม่ควรอย่างไรพวกเราก็ดูในชั้นปัญญาชนด้วยกันก็ต้องได้คิดได้พิจารณาเนี่ยสรุปแล้วก็คือเรื่องพระคุณเป็นเรื่องที่ใหญ่และก็พร้อมกันสร้างสมคุณงามความดีเมื่อเรารู้จักพระคุณแล้วกันนั้น อยู่ในสถานะไหนปรับตนให้ถูกในกับอยู่ในสถานะันนั้นนะอยู่ที่ใดผาสุกทั้งหมดทีนีไม่เดือดไม่ร้อนเมื่อเราควรจะขยันยังไงในช่วงนี้เราควรจะเก็บหอมรอมริบยังไงในช่วงนี้เราควรจะทำตนยังไงในช่วงนี้อนาคตต่อไปเป็นยังไงเราต้องวางปัจจุบันมองปัจจุบันกันมองอนาคตอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้า เมื่อเราเก็บเราจะเก็บไว้อย่างไงมันจึงจะท้าวอนมันจึงจะปลอดภัยไงอย่างพวกวันเนึ้ยเขาว่าเอาไปฝากธนาคารธนาคารรับประกันเพียงหนึ่งล้านจํานวนนั้นเออมันเป็นกฎของธนาคารกฎของไม่ใช่กฎของประเทศกฎทั่วโลกเราจะเก็บยังไงฮะเออถ้าเก็บไว้แต่ในธนาคารอย่างเดียวเนี้ยเราควรจะซื้อที่ดินไว้วางอันนั้นแล้วเราก็ต้องวางแผนเป็นระดับอีกเหมือนกันอันไหนคือมันจะท้าวอน เมื่อเราเท่าแก่ชราแล้วเราจะได้ใช้อะไรในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่ากินเป็นวันๆจบเป็นวันๆไปพอต่อไปภายภาคหน้าเราพึ่งพาอาศัยพี่น้องไปหาใครเขาค็ดูถูกเกลียดหยามเราพ่อไรเพราะเราไม่รู้จะเก็บนะอันนี้เราชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเรานะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกๆคนวางแผน สรุปแล้วคือให้เป็นคนดีอย่างเป็นอย่างพระเนี่ยทำยังไงอย่างพระท่านไม่ให้เก็บหอมลอมริบให้ทำตนเป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้เป็นพระที่ดีแล้วไปอยู่น่าสถานที่ใดพระพุทธเจ้ารับรองเว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะ อใครก็พูดใดก็ตามรักษาหรือปฏิบัติธรรมไปอยู่นักสถานที่ใดไม่อดไม่อยากมั่นใจอย่างนั้นให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้มีธรรมในจิตในใจใครๆเห็นก่อนนับถือเลื่อมใสมนุษย์มาเห็นเทวดาจะเห็นอถ้าโพธิเทวดาเห็นแล้วเทวดาจะไปบอกมนุษย์เองเอพระองค์นั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนะยเทวดาจะบันรนบรรดาเนนะเออจะเห็นเอง จะไม่อดไม่อยากแต่ถ้าว่าองค์ใดก็าตามเอไม่มีฮิริไม่มีโอตตปะเป็นพระอรัชชีไม่มีอย่างอายไปอยู่ในสถานที่ใหญ่ขนาดไปนั่งเอาหลังพิงธนาคารเขาเขาก็มองไม่เห็ น, พ เ, หนเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทําไม่ดีไม่มีคุณธรรมในจิตใจถ้าองค์ไหนมีคุณธรรมในจิตใจถึงจะอยู่ป่ารงพงไพ่ห่างไกลขนาดไหนเขาก็ร่นด้านไปหาไปทําบุญ สิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือให้เป็นพระที่ดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีจ ร, ริยธรรมที่ดีสมกับเป็นศากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้ า, าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันอย่างนั้นเป็นว่าไม่อดไม่อยากถ้าพระปฏิบัติ ด, ดีแต่ถ้าพระสังสมงวัตถุเข้ามามากๆอันนั้นเออเขาเห็นแล้วก็เอื้มอมละอาเห็นที่ไหนก็ขอดะไปหมด ไปใกล้ใครใครก็มาอยากเข้ามาใกล้แต่ถ้าว่าเข้ามาใกล้แล้วเออสงเคราะห์คนนั้นสงเคราะห์เรื่องนั้นสงเคราะห์เรืงนี้สงเคราะ ห, ห์โรงพยาบาลออพวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่เห็นกันอยู่ใกล้นี่เออเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนองตาหาบวนท่านช่วยโรงพยาบาลเห็นไหมที่เราไปถวายปัจจัยท่าน่ออท่านให้เท่าไหร่โรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์เท่าไหร่สร้างตึกเท่าไหร่เ อ, อผลที่สุดเนี่ยเอาทองคําเข้าคลังรวงตั้งสิบสามตัน เออเป็นเงินเท่าไหรตุกวันสามหมื่นกว่าล้านแต่คิดเป็นเงินออกมามากขนาดไหนใครทำได้เนี่ยลวงตามีอะไรลวงตามีต่อศิลธรรมสอนแนะนำช่วยประเทศชาตินะช่วยประเทศชาตินะเราเกิดในชาติต้องช่วยชาตินะเนี่ยนี่แหละทุกวันนี้ <c oughs> เงินบาทมันแข็งทุกวันเนีอย่างขงพเจเนี่ย เงินคงขังขอเรามีมากเอี่แต่บางคนยุคเท่าไหรเนี่ยว่าเงินมันมากเกินไปเฮ้ยถ้าเงินของตัวเองเน่ะคงจะไม่ว่าเงินมากเกินไปแต่เงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นเนี่ยว่ามากค่ะโดยมากมันเห็นแก่ตัวอย่างนั้นมนุษย์มนาถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าตัวเองเน่ยปิดเงียบเงินอยู่ในกระเป๋าของคุณมันมากเกินไปนะเนี่ยเนีมีแต่ว่าจะพูดจะพูดจะพูดจะพูดเนี่ยเอียอย่ากลัวเขาจะรู้จักอีต่างหาก แต่เงินอยู่ในโครงลังของประเทศเนยเงินมากเกินไปเงินมากเกินไปมากก็เป็นเงินของประเทศจะเป็นไงไปเป็นหลักประกันของประเทศเป็นหลักของประเทศถ้าเมื่อคราวจำเป็นใครจะไปรู้อนาคตต่อไปภายภาคหน้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมขึ้นมาเข้าย่างมากแพงขนาดเมื่อกี้นี่มันท่วมภาค ก, กลางแบบจังดีนะภาคอื่น ภาคอีสานน่ยดร ะ, ละดมคนลงไปเท่าไหร่ไม่พูดกันเฉยๆนะ อ, ออย่างหลวงพอ่อหมดไปหลายล้านนะ่ะไปเลี้ยงคนยังมีหนังสือเอกสารจ่ายไปทั้งหลายแสนชุดอาหารเลี้ยงคู่คนนะขนาะวัดหลวงพ่อนะึ่งกลุ่มหลวงพ่อกลุ่มเดียวเท่านั้นนี่แหละจะลกระอีสานไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะช่วยคนทั้งภาคกลางเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยทั้งเสือศาสตร์ทั้งเสือทั้งศาสตร์ทั้งหมอนเ อ, อเทียนไขแต่ละวัด ขนาดแขนไปตัดเป็นทอนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ท, ท, ท, ทีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทั้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆด้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงไตๆตยยงไต้องมองกัน สรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาพราะพระพุทธเจ้าให้สอนอยังไงนะคนะสมชายมัจะลองแข่งหลวงพ่อเอาลับพรนะนัตตนีนะ